2.16 การภาวนาต้องถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติวงเล็บเปิดสมีนาคม25งพห้าบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิหวงเล็บปิดถ้าใจเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบให้รู้ทันจิตเข้ามาอีกทีถึงอย่างไรอย่างไรก็ต้องรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองอย่าไปรู้นอกๆรู้นอกๆเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้น เมื่อไรมันจะหายสักทีไม่รู้ว่าจิตกำลังไม่ชอบมันจิตมีปฏิกะขึ้นมาจิตไม่ชอบให้รู้ทันลงมาถึงจิตถึงใจนะเครื่องหมายคำพูดเปิดการภาวนาต้องถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติปิดเครื่องหมายคำพูดนี่หลวงปู่เทศสอนเอาไว้หลายสิบปีมาแล้วธรรมะของท่านไม่มีเก่านะหลายสิบปีก็ยังเป็นอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เก่าเลย